พระผู้มีพระภาคประทับนักเข่าคิจจูรใกล้กรุงราชครืสันทานคฤหาบดีออกจากกรุงราชครืจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคในเวลากลางวันแล้วแวะเข้าไปหานิโคราทบริพาชกซึ่งกำลังอยู่กับบริษัทใหญ่ประมาณ3ามพันคนกำลังกล่าวถ้อยคำที่เป็นเรื่องภายนอกของสมณะคือติรชานกถาด้วยเสียงอันดัง เมื่อเห็นสันทนะคารหะบอดีเข้ามาก็สั่งกันและกันให้สงบเสียงเพราะคารหะบอดีผู้นี้เป็นสาวกป่ายคารหัสที่อยู่ในกรุงราชฤทิ์คนหนึ่งของพระสมณะโคดมและเป็นพวกที่ไม่ชอบเสียงดังพันนาคุณของความเป็นผู้มีเสียงน้อยเมื่อรู้ว่าบริษัทมีเสียงน้อยก็จะพึงเข้ามาหาเมื่อสันทนาครหบดี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 ตกอยู่ใต้อำนาจของความปรารถนาลามก 20. สมีความเห็นผิดประกอบด้วยความเห็นยึดส่วนสุด21อยึดแต่ความเห็นของตนถือมั่นสลัดยากแต่ละอย่างนี้เป็นความเศร้าหมองของผู้บำเพ็ญตบะครั้นแล้วตรัสถามว่าการเกลียดชังความชั่วโดยบำเพ็ญตบะดังกล่าวมานี้ จะนับว่าเศร้าหมองหรือไม่นิโครัทบริภาชกยอมรับว่าเป็นความเศร้าหมองมีฐานะที่ผู้บำเพ็ญตบะบางคนอาจประกอบด้วยความเศร้าหมองครบทุกข้อจึงไม่ต้องกล่าวถึงเพียงข้อใดข้อหนึ่งว่าจะมีใครไม่มีความเศร้าหมองนี้บ้างเลยต่อจากนั้นทรงแสดงการบำเพ็ญตบะที่บริสุทธิ์คือที่ตรงกันข้ามกับ21ข้อข้างต้น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 ไม่ยินดีต่อผู้อื่นเสพและทรงแสดงการเสพเสนาสนะคือที่นอนที่นั่งหรือที่อยู่อาศัยอันสงัดนั่งทมสติกำจัดนิวรณ์หคือหนึ่งอภิชาความอยากได้ 2. พยาบาทความปองร้าย 3. ถีนมิทะความหดหูง่วงงุน 4. อุทธจักกุบกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจ